นในพี่น้องสุ่มแพ้ของเอ้าสุ่มแพ้คือจะบ่นหานาวคือหน้ายุงมากหนิฮะนหนาวเหมือนกันเหรอ <c oughs> โอโ อ, โอ้แถวนี้วันนี้รู้สึกว่าจะนหนาวกว่าทุกวันทุกวันเมื่อวานนี้ก็นหนาวอยู่วันก่อนก็นหนาวแต่เมื่อวันนี้รู้สึกว่าจะนหนาวกว่า ที่ผ่า น, านมา <c oughs> วันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานคณะนักเรียนจากโกรงเรียนพัฒนาการจังหวัดอุดรพร้อมกับ mm hmm. พ อ, อครูบาอาจารย์นักเรียนทั้งหมด ถามว่ามี480นักครูบาอาจารย์อีก <c oughs> 30กว่ารวมแล้วก็500กว่ามาเมื่อวานมานั่งอยู่ศาลาหลังนี่แหละ <c oughs> ไม่ดูดูแล้วไม่ขึ้งนะศาลาของเราใหญ่กว่าลูกหลาน <c oughs> หลวงพ่อไ่ว้สล า, าของเราเนี่ยจะจูได้จะจุได้คนเป็นพันเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานนักเรียนมาตั้งห้าร้อยกว่าต้นๆดูๆแล้วไม่ไม่ครึ่งมันเพราะอาจจะหนาวก็ได้อย่างว่า น, นักเรียนก็เลยขยับใกล้กันมันก็เลยถ้าร้อนเคงจะนั่งห่างกว่ากว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ได้ หลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียนและกพวกยาเสพติดด้วยและกเกี่ยวกับการครบหาสมาคมต่อซึ่งกันและกันด้วยเมื่อวานหลวงพ่อพูดแบบเด็กๆ <c oughs> ให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษา แต่ก็วันนี้เป็นวันที่24อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันปีใหม่ปีใหม่สากลแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็อยากจะเตือนกล่าวเตือนพี่น้องประชาชนผู้ได้ยินเสียงจากหลวงพ่อไม่ว่าเตือนผู้ใดใครผู้หนื่เตือนทุกคนเตือนกระทั่งหลวงพ่อด้วยพวกเราท่านทั้งหลาย ปีที่ผ่านมาคือปีเก่าปีสอง7้าห้าสิบเจ็ดพวกเราทำอะไรลงไปดีก็ดีมาแล้วเลวกเกลียวมาแล้วเรือว่าไม่ได้ทำอะไรที่โดดเด่นก็เป็นมาแล้วสรุปแล้วก็คือปีที่แล้วเป็นปีบทเรียนบทหนึ่งของพวกเราแล้วก็ ทั้งเรียนดีทั้งเรียนไม่ดีด้วยเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านในเมื่อสิ่งไหนที่เรียนดีเราก็ควรจะส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆคล้ายๆว่าเราคิดดีทำดีพูดดีในวงศาคณาญาติหรือธรรมมาค้าขายเรี่องวิกฤตการงานของเรา การนำเนินชีวิตของพวกเราไปในทางที่ดีปีที่ผ่านมาปีนี้เราควรจะสารต่อแต่ว่าถ้าหากว่าจุดไหนที่มันมีปัญหา เ, าเกี่ยวกับมูกับเพื่อนกับวงสาคนาญาตสามีภรรยาลูกเต่าเ ล, ล้าลานที่มันมีปัญหาเออปีนี้เราควรจะลดลาวาสอกตรง เราจะทำพยายามทาให้ดีที่สุดอันนี้ก็มีเป็นการมองตนเองทางการเป็นอยู่เพราะว่าเรื่องสินและวินัยหรือกฎหมายเนี่ยมันกล่าวย้ำหรือเตือนกันได้เพราะมันเป็นของมองเห็นแต่ทางด้านจิตใจททางด้านจิตใจเรื่องนามธรรมเนี่ยมันต้องตัวเองเตือนตัวเองนะทนี ถ้าหาว่าตนเองไม่เตือนตนเองไม่มีใครเตือนนะทีนีเ้เพราะว่าใครคิดดีคิดชั่วคิดโมโหโกธ า, เ, าเรียกว่าโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะหรืองขี้เกียจไหวพระสวดมนต์ขี้เกียจนั่งภาวนาเานึกคิดเรื่องอะไรนะอันนี้มันเป็นเรื่องของ ต, เองตเองนเะ อ, องตัวเองจะต้องมองตนเองทีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรานอนใจเกินไปหรือเปล่าช่าใจมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราปล่อยปละละเลยทางด้านจิตใจของเรามากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะให้พวกเรานั่งทบทวนดูอดีตปีที่แล้วแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยชีวิตของพวกเราถ้าเป็นน้อยหนุ่มก็ไม่เป็นไรแต่ทึ้งยังไงก็ไม่ควรประมาท เพราะชีวิตของพวกเราไม่ได้บอกไม่ได้ตราเอาไว้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะต้องเท่านั้นจึงจะจากไปก็ไม่มีใครที่จะประทับตาให้มั่นคงถึงขนาดนั้นพร้อมที่จะไปได้ทุกเวล่ำเวลาทุกโอกาสยืมวันอยู่ทุกคนแต่ว่าก็มีโอกาสมากกว่าผู้สูงอายุแต่ถ้ว่าผู้สูงอายุอย่างหลวงพ่อ อายุเจสปีเนี่ยจะอยู่นานสักเท่าไหร่คนอายุ8ปบเป็นยังไงเป็นบทเรียนมองดูเห็นแล้วอายุเจดสบอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงก็รู้แก่ใจว่าคืออะไรแต่ลูกหลาน3าม0ี่ 3, 4, ปี50ปี3 4มสปี50ปีเนี่ยก็ยังมองเห็นอยู่ว่าก็คงจะมีลักษณะมีความสุขกายสบายใจอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าว่าผู้สูงอายุอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมองเห็นชัดเจนเอ่องใครจะยกย่องบอกโอ้หลวงพ่อสุขภาพดีเอ่ไม่เปลี่ยนไม่ต่างเก่าเออเขาก็พูดไปอย่างงั้นน่ะแต่ในใจของหลวงพ่อไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเรารู้กับตัวของเราเองมันไม่เหมือนเก่าเออแต่เขาพูดอย่างนั้นเขาเพื่อประละกินข้าวต้มขนมไปอย่างงั้นน่ะ เพราะนั้นเราต้องรู้แต่ว่าถึงยังไงมันก็ไปตามสภาพของมันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วขอให้พวกคณะรัตยาติโยมลูกหลานทุกคนที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อกล่าวย้ําเตือนเรขอให้พวกเราตั้งอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมพุนงามความดีสั่งสมบูรณ์กุศลเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆ เพราะว่าชีวิตของพวกเราอย่างหลวงพ่อย้าแล้วเตือนอีกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเติดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งที่ให้เกิดน่นก็คือหลวงพ่อบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถตัวนามธรรมาคือจิตใจนะั่นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถนั่นแหละจะไปหาเกิดไปหาออกจากร่างนี้ไป ติปฏิสนธิปหาเกิดที่อื่นอีกแต่ส่วนร่างกายเนี่ยแตกตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเอาไปเผาไฟทิ้งแน่แต่นามธรรมาจุดนั้นมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าให้ความสนใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยกของเราตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาที่ครูบาอาจารย์ ที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาต่างองค์ก็ต่างยืนยันกันร้อยทางร้อยองค์ไหนก็องค์นั้นบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดนั่นก็คือหลวงพ่อเปรียบเทียบร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจน้า ม, มาทําเหมือนกับคนขับรถหรือว่าโซเฟอร์รถตัวโซเฟอร์นั่นแหละตัวนั้นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆในเมื่อเราทําดีทําชั่ว กโซเฟอร์นั่นแหละเป็นผู้รับผลแห่งกรรมหรือการกระทาของตนเองแต่ส่วนร่างกายนั่นก็ เ, เป็นเรือนร่างเท่านั้นเองแต่ตัวที่รับเต็มๆก็คือจิตใจ เ, เพราะนั้นเวลาเราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วจิตใจของเรานะะั่นะเป็นผู้รับร้อยเปอร์เซ็นเมื่อเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะเข้าสู่จิตใจดวงนั้น ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็เข้าสู่จิตใจดวงนั้นเหมือนกับเราอยู่ที่ศาลาหลังนี้แหละนะศาลาหลังนี้ในเมื่อเราไปตีหัวเขาเข้าเขาก็วิ่งเข้ามาหาบอลเนี่อหลวงพ่ออินอยู่ในศาลาหลังนี้แหละเขาก็ต้องมาหาศาลาหลังนี้เขาก็มายึดศาลาหลังนี้ไว้ยังไงมันก็ต้องมาที่นี่ลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน ร่างกายของเราเหมือนกับศาลาหลังนี้แต่นามธรรมเลยก็คือจิตใจเนี่ยเหมือนกับ เ, เจ้าของศาลาหลังนี้นี่แหละตัวเจ้าของศาลาหลังนี้แหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าหากว่าไทยใครทำกรรมดีกรรมดีก็จะเข้าสู่จิตใจถ้าว่าใครทากรรมชั่วกรรมชั่วก็คืออะไรไปเบียดเบียนไปฆ่าไปคดไปโกงไปทำความชั่วเสียหายผิดกฎหมาย แล้วก็คนในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านนี่จะอยู่ในความผาสุกได้ยังไงเพราะตัวเองไปทำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเราทำสิ่งที่ดีเอาไว้เมื่อสิ่งทำสิ่งที่ดีใครๆก็มายกย่องเฉิดชูบูชาเออท่านเจ้าของบ้านหลังนี้เนะี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับผู้คน นี่อันนี้เขาก็ย่อดเชิดชูบูชาเพราะไปทำความดีมาเามื่อตายเมื่อออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วเมื่อบ้านหลังนี้มันผุพังเมื่อออกจากบ้านหลังนี้เพราะเขาคนนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เ, เตรียมเงินคำทรัพสมบัตเิเพียงพร้อมแล้ว อ, ออกจากบ้านหลังนี้ก็ไปสร้างบ้านหลังใหม่อีกเพราะเหตุไรเพราะมันบ้านหลังนี้มันเก่านี่อันนี้ก็คือ ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดเอาไว้ในหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราบอกกล่าวนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เ, อเห็นได้ชัดอยากจะรู้พวกเราอยากจะรู้อยากจะรู้ได้ชัดเจนไม่ต้องถามใครไม่ต้องสงสัยให้นั่งภาวนานะนี่แหละนั่งภาวนาคำนี่แหละนั่งสมาธิที่พระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ที่โคลนต้นโพ วันเดือนหกเพนพัดไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบนิ่งพอรวมสงบนิ่งเท่านั้นแหละรู้ได้ว่าร่างกายเหมือนกับเหมือนกับรถเป็นอีกส่วนหนึ่งวนจิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของร่างกายในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ท่านจึงว่ามโนปุพังขมมาธรรมหมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสมเร็จแล้วโดยโซเฟอร์รถคันนี้ถ้าโซเฟอร์ได้รับการอบรมได้รับการศึกษาที่ดีเมื่อขับรถไปรถคันนี้ก็มีมารยาดไปค่อยไปแต่ถ้าว่าโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยโกโลโกโซ มีแต่โรคโมโหโมโรคหโมกันะขึ้นรถคันนี้ไปกันนะั่นทั้งเหยียบพันเร่งเหยียบดะแล้วก็บีบแกถึงควรไม่ควรบีบรั้นไปเรื่อยบีบแกก็คืออะไรคือด่าคนนะั่นแตะโกนด่าคนไปเลยเหมือนกับคนขี้เล่าฮะนี่แหละอันนี้ก็คือใจโซเฟอร์ท่านั้นละ่ะ มาขับรถนิสัยไม่ดีมันเสียหายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายท่านจึงให้นาโซเฟอร์มาอบรมอบรมศีลธรรมทำอย่างนี้มันถูกทำอย่างนี้มันผิดอย่างนี้มันวัยวัตอย่างนี้คุณวุฒิอย่างนี้พระคุณของพ่อของแม่อย่างนี้พระคุณของครูบาอาจารย์อย่างนี้พระคุณของประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้ เราควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรเราจะควรจะเป็นคนดีอย่างไรนี่แหละจะได้รับการนําโซเฟอร์มาอบรมเลยเพรอบรมใจใจได้รับการอบรมเฉลียวฉลาดรอบรู้สิ่งควรไม่ควรแล้วนะอยู่ด้วยกันถึงจะมากน้อยก็ร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันถ้าหากว่าไม่ได้รับการอบรมเหมือนกับพวกสัตว์ศาลาสิง อยู่ในป่าดงพงไพยไม่ได้รับการอบรมตัวไหนใหญ่ตัวไหนมีกำลังตัวไหลตัวไหนมีเขี้ยวมีเล็บตัวนั้นก็เอาชนะหมูได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่มนุษย์ของเราได้รับการศึกษาต้องมีกฎต้องมีกติกาในการอยู่ด้วยกันต้องมีศีลมีธรรมคุ้มครองกันอันไหนควรไม่ควรไม่ใช่ว่า โลภโหโ ม, โมโกนาแล้วก็เอาชนะระรานมูุกเพื่อนไม่ใช่เราต้องมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือมนุษย์ที่ได้รับการศึกษาได้รับการนําศีลธรรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะคณะสัทยาญาณโยมพระเนรทุกวง สรุแล้วตายแล้วไม่สูญทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วความชั่วอย่าทําสะเลยดีกว่าเพราะความชั่วกำชั่วเมื่อทําแล้วกำชั่วให้ผลตนนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลักทำคําสอนของพระพุทธศาสน า, านนวันนั้นวันนี้หลวงพ่อได้นำํำทำคําสอนมาแนะนํา ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอาต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร